ซีดีธรรมบันไดจุดฟันตีไรได้สุขทุกทีโดยพระบรองคุณาพอออารออใบุตโตวัญญาณเวสกัวันตำบลบานกระทึกอำเภอสามการจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่4งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขวัญญาณโมโนที่1ิพฤศจิกายนบุทัศกราช2535ันห้าอ ย, ยพ่อเตยพรโยกย้ายทีชาวบริษัทอาหารสยามทุกท่านวันนี้อราจมาทั้งสามูปได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัททั้งในส่วนของ ไร่ที่ปลูกสับปะรดและก็ทั้งในส่วนของโรงงานก็ทั้งนี้ก็โดยที่คุณโยมนามคุณวัตถุซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มาโดยที่ท่านมีน้ำใจศรัทธาและก็มีเวตาเป็นรรมิธรคมจริงนั้นก็ได้มาตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วโยมสุนคนก็ได้นัดไว้ตั้งแต่ผมจะสักเดือนมาได้มั้งแต่ว่าพอดีว่าเกิดกเหตุขัดข้องหรือเกิดเหการณวยเล็กนอยก็เลยเลื่อนมาก็ามาในตอนนี้ก็ามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มารูกิจการของบริษัท ก็ได้เห็นทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่จะนำมาคลอนโรงงานนาฏกรรมทุกทีแม้ว่าจะมีเวลาดูสั้นๆแต่ที่ว่าก็ได้เห็นกิจการโดยทั่วๆไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูกิจการเป็นเรื่องเป็าวแหละมาเป็นการที่วันได้พักของหรือว่าเป็นการได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยมาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ที่ใกล้สะพารถก็ไปดูรอบเดียบโยโซคนรวมทั้งที่ทางนั้นก็มีคุณชาวิทแล้วก็คุณตีรนันก็เลยพาไปดูจรท่านในว่ารอบบริเวณในเวลาจำกัด ถ้าพอดูผ่านัตจุก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เหตว่าเวลาจะเดินนานก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่เพื่อมาจำเพลียมาที่นี่แล้วก็ได้รัชกาลก็รับโครงการาษีจากท่านกรรมการข้ากบริการรองทัานผู้ดำเนินท่านอยู่ก็เป็นที่น่ามโนฉนาก็เป็นบรรยากาศของวัยเด็กิตีพิศพัในหมู่ของผู้ที่อยู่ในนี้เองแล้วก็ทันที่มาเยี่ยมเยีอยมซึ่งพอดีก็สะดวกกันนอกจากคณะธรรมาและคณะขั้นนำโดยรองท่านปะหลัดก็ได้มาเยี่ยมเยี่ยมสื่อสด้วยก็เลยว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โยมได้ที่มโนมาชั้นชันเสร็จแล้วกก็เลยยบอวว่่าาาททีมแสดดงํ้ นี่มาสแสดงธรรมนี่ก็ถือเป็นาการส่วนจะเรียกว่าแถมหรือเป็นพิเศษพิเศษไปก็เป็นการมาคุยคุยกันสบายๆมากกว่าคือจะให้เป็นเรื่องหนักอะไรเลยเรบอกว่ามาฟังนะแสดงธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องทีก็ยากเป็นเรื่องของสักด์วัดอะไรแล้วก็เลยจยากไปว่างก็จะเป็นไปได้ก็ถือว่าอยากพิว่าได้มาเยี่ยมเยียนหรือเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนซะแล้วก็เมื่มีการเยี่ยมเยียนก็มีการที่มาพูดคุยสนับราสายกันก็เป็นธรรมนองนี้อาตมาก็ ได้มาเยี่ยมเยี่มแล้วก็ได้โอกาสจะมาพบกับท่านมากๆก็ต้องอยู่ในที่ประชุมตรงนี้งี้เยอะๆก็ได้พบกันไม่กี่คนอันนี้มยิอย่างนี้ตัวแสดงธรรมก็ช้องให้โอกาสได้พบกันหลายๆท่านหลายๆคนนอี่ก็เป็นวิธีการอย่างนี้ี่มาพบกันแล้วก็ได้คุยสนทนาปราศัยในฐานะที่เป็นพระก็จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องธรรมากที่สทีนี้มาในที่นี้เป็นที่ทางานเป็นโรงงานเมืาไปโรงงานแล้วก็จะคุยเรื่องอะไรก็ต้องคุยกันเรื่องงานแต่มองในแง่เดีนั้นคนที่ทางานยั่นเนี่ยเขาเองก็ไม่ค่อยอยากไปพู แทนที่ดาเรื่องสนุบมาคุยกันนะให้สบายใจเป็นการที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องนแต่ก็ธรรมะก็ไม่ในแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราพูดเรื่องงานนี้แหละแต่รพูดในถูกแง่นึงก็ดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนใระยะยาวบางทีไปพูดในแง่หน่เรื่องอื่นสลับเข้ามามันอาจจะสนุกนานเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะช่วทุ่ยามแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาทำงานหนักของเราที่้าเราเชิญหน้ากับเรื่องงานเลยเอาเรื่้งงานเป็นเรื่องหนักเรื่องกำใช้กำลังเรื่องกำใช้เรียลแรงแล้วก็ใช้ความคิดบางทีก็ เพาะอะไรนพร า, า, านี้เป็นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเราการกินเวลาของเรานี่ส่วนใหญ่งชีวิตทเดวอย่างถ้ทาที่อยู่บริษัทนี้เนี่ยก็ต้องสลับเวลาให้แหกิจการกรบริษัทใ น, นวันหนึ่งมากพอมาได้เดินไปชกิจการแล้วก็ท่านที่นํามท่านก็ลา่างในามอธิบายให้ฟังก็ทราทว า, ทา ง, งานกันนานอย่างพนักงานที่ยืนถ้าที่มองเห็นน่ท่านบอกว่าต้องยืนต้องทีสิบสชั่วโมงนานมากทีเดียืนตังชั่วโมงนี่ก็เป็นเจ้าที่นักีเดียวก็แสดงว่าการกินเวลาเขาไปต้องขึ้นมาเวลาที่มี แกักอนับนอนสัก้าเนี่ยเวลาในันนีเเหลือไม่เท่าไรจากการแบบแล้วก็เหลือวันพั่อนอีกก็บุคคลจะสวันามก็ไม่้ทราบาะเแต่รวมนั้ก็เป็นกาสรุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับการงานนี้มาการงานครอบครองชีวิตส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อเรื่องการงานให้สุกเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพราะบุคลามีต้องการให้ชีวิตมีความสุขนี่การที่จะมชีวิตที่มีความสุขนั้นงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทให้ชีวิตมีความสุขได้แต่ว่าเวลา แล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เราชอบใจไปเที่ยวอะไรแล้วก็เรามีความสุขจากการที่ทําได้ทำงานไปแล้วได้ผลของงานเป็นเงินเป็นทองไปใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขอางนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นความสุขจากตัวงานหรือไม่ได้บอกว่าตัวงานเราทําให้มีความสุขก็เลยกลายปว่ามองงานนี้เป็นความทุไปต้นนึงบางคนก็มองไปว่าเออเวลาทำงานนี้เราต้องทนทนทำมันไปทาให้มันเสร็จเราจะได้รับผลตอบแทนนั่นแหละผลตอบแทนนั่นแหละที่ทำให้เรามีความสุขก็มีความสุขตอนโน้นก็ทั้งนี้ก็แสดงว่าในเวลาที่เราจะมีความสุขนั้นน้อยๆเพราีะเป็นวลาที่มมีควาบเป็แสดงว่าน ควสาสุนั้นเป็นผมที in this, ่ได้จงานก็จริงแต่ว่ามองคลสุดคือคนทั่วไปจะมองคิดว่าตัวงานไม่ดความแต่เราต้องได้ผมกากงานนั้นอีกทีหนึ่งเป็นผลตอบแทนแล้วไปถามความสุขอันี้ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าใ้ตัวงานนั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดความสุขเลยก็เข้าระบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรานี่มีความสุขอยู่น้อยกว่าสที่ต้องทุกข์ทรมาเรามองงานเป็นเรื่องทุกข์ทรมารถจะสด็ว่าชีวิตส่วนใหญ่ต้องกขรมารถอันนี้ถ้าเรามองสมัยนี้เราทำไงเราจะให้ชีวิตสุกนให้ของเราที่ แล้วก็เวลาส่วน่ชีวิตจะมีความสุขแต่ิงกานั้นก็คือว่าเออตอนที่ทงานมันก็มีความสุขด้วยแล้วแต่ได้ผลตอบแทนจากการทางานไปแล้วก็มีความสุขอีกซ้อนอีกั้งหนึ่งก็เลยสุขไปบอกนสุขสองทันสุขตลอดเลลเพราะฉะนั้นเ่ยวกับกานี้ถ้าเราจะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเราต้องมาจัดการเรื่องใดองเราให้ถูกต้องถ้ามันมีความสุขตอนทงานเลยทีนี้แล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขจะมีส่วนที่เป็นสุขเป็นน้อยกว่าส่วนที่เป็นโอนคาอเราต้องรู้จักปล่อนแต่ก็ เปงานที่เราไปดูครับเราไม่ต้องทำอีกเพรว่าที่ท่านพูดย่ายนั้นี่แสดงว่ามันมีแง่ความหมายแล้คนไทยที่จะเริ่มมีมองงานในแง่สนุกสนานเนกนว่าเท้งาลวันวาเทํางานสงกรานถ้าทให้เป็นงานงานที่มันสุกสนานนี้ไม่ได้เลิทุกก็คือคนไทยสมัยโบราเนี่ยมองว่างานนี้เป็นรื่องสนสนานเือกิมีความสุดแม้ไปเกี่ยวข้กันก็จะไปรองเลนยก็ํางานกันก็สนุกคือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะ หวา่ากิจกรรมที่ทแต่เรามองถึงจิตใจที่ว่าให้มีความเพื่อเพิ่เตินใจกัไปด้วยแต่คนสมัยหลังนี้ไม่ได้ดีาวราะงานวัดงานสุการ ง, งานวัดกต้นแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ที่มันเป็นงานในความหมายวกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยไปมอ ง, งในแง่สนุกสนานคือเดิมมันก็เป็นงานจริงจิมันเป็นกิจกรรมที่ทาเพื่อประโยชน์ในสังคมนั้นาวา่าเป็นงานไปช่วยกันทประโยชน์รวมทั้งไปที่วัดแล้วไปเพื่อใน่องเขดีไซน์อาไซน์เข้าวัดหรือทงานช่วยวัดจากใคอันหนึ่งอะไรนี้ก็เป็นงานเป็นกรีฬาก สมมตว่าที่จริงแล้วในงานเนี่ยในความหมายของบร i ไทเนี่ยมันมีตัวกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สหนึ่งแลวก็ได้ติดใจที่มีความร่าเริงวัเสนุกสาที่สุแค่ีองย่างนีงานที่เราต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีความหมายได้สองส่วนคือหนึ่งตัวงานที่ทาให้เกิดผลสเร็จของงานนั้นนี่เป็นก้หมายของงานให้ได้ผลงานหรือผลดีเร่ว่าทาโรงงานสปารตรถก็หมายความว่าได้ผลิต่ัพัขึ้นมาที่มีคุณภาพดีได้ปริมาณว่าได้ถึงเตามีเควาหมายว่าจะทาได้เท่าไหร่ก็ทาได้ตามที่ตามเป อีกหนึ่งก็คือว่าเวลาทำงานนั้นให้มีความสุขไปด้วยถ้าเราได้สองอย่างอย่างนี้ราก็เรียกว่าได้ผลตะบูนงานที่จะมีผลตะบูนนั้นให้สองมุลนั่นสงด้านนี้และสองด้านนี้มันจะรับมาค่กันถ้าเราทางานได้การได้มีความสุขได้เนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยมีความพอใจที่จะทำงานให้ยิ่งขึ้นไปะด้ทำงานไม่ได้ผลยิ่ขึ้นและพอเราทางานได้ผลดี่ขึ้นเราก็อินใจในความมีปิติพอเราเพิ่มภาพมใจในผลงนนั้นก็มีความสุขมากขึ้นการมีควาสุขก็ยิ่กันให้ดีข ีีจะต้องมีการปฏิบัติองานี้ยก่ต้ต้อง็แต่ควางงานให้าจงานแต่ต้นแล้วก็ไปเล่าเลยในอย่างที่ว่าเากติ๊เนี่ยาาก็กรติ๊งงานเป็นเาต้องทุต้องทนเนี่ยเรามาทนทำงานให้เสร็จแล้วเราได้ไปสรุปงานได้ตอบแทนแล้วก็เป็นสนุกีหลังตอนนี้เราบา่าินแล้วอะไรเราม่จะ่าขึ้นไปหมดผมาอาจจะไม่ค่อยได้ดีจิตใจของเราก็ไม่สบายมากสุดก็น้อยแล้วเวลาไปได้ตอบแทนไปหาความสนุกสนานคนนี้ก็เกิดเรียกว่า ลอยสุดไปง่ายาหลงง่ายง่ายเดินไปเลยไปไดไปหาความสุขกนบานเพาว่าคนทุกงานได้เอาให้เต็มที่อะไรทำนองนี้ก็เลยเสียไปเลยและถ้าเขามีความสุขก็ตัด แ, งแรงงานไปแล้วเวลาเาเิงานไปแล้วเขาไปหาความสุขต้นเตินเขสบายแล้วก็มันก็เปส่วนแถมมาลก็ไม่มีปัญหาี่นี้ก็เป็นวิธีที่ว่ามันต้องต้ต้งแต่ว่ า, าวางใจให้ถูกต้องกและต้องมีภ่าทีหรือมกกีทันคติที่คุ้มครองต่การทำงานและอะไรทในไหนจรงจะทให้ทางานได้ผลด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็เหตุผลง่ายๆที่จะทาให้เราทางานได้ผลดีแล ที่ราต้อมีความพอใจพอใจเรารักเราพอใจในงานแสดงนี่แต่อยากจะทำอ้ใมาห้ามก็ไอยากจะหยุดก็ยอมแล้อยากจะทาอยู่แล้วใจเราจะทาเพราะฉะนั้นใจมันพอใจจะทำเมื่อทำด้วยใจรัก็จะทได้ตั้งใจทาแล้วก็ทำได้ก็ต้องได้ผลแล้วก็มีความสุขในขณะที่ทได้แต่นี่ว่านอกจาว่าตั้งใจมาาพดีตรงไหนต้องเดี๋ยวไปมองกันเรื่องความามคุณก็ต้องมีใจรับน่จะทำาไจะทายังไงให้เราเกิดความพอใจรักให้เมนเราจะพอใจรักงานได้มันก็ต้องเห็นคุณค่าทำงานเป็นส่วนหณึ่งขอาน่ะก็เรามามองข้างต่อไปเห ถ้าเราที่มองเห็นคุณภาพของงานไหลง่ายไหลได้เนี่ยเราจะยิ่งมีเหตุผลที่จะทาให้เกิดความรักงานมากขึ้นคุณภาพของงานประการแรกง่ายที่สุดก็คืออะไรคนทุกคนก็มอกเห็นคุณภาพงานประการแรกก็ต้องมองไปที่เรื่องของการได้ผตอบแทนก่อนลตอบแทนก็คืออะไรก็คือขึ้นเลี้ชีพเราตัดเลี้ยงชีพแล้วก็รู้ว่าอ๋องานนี้แหละมันทำให้เรามีขึ้นเลีงชีให้เราเป็นอยู่ได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันในชีวิตของเราเปมันเป็นสิ่งที่มีคุณตอบชีวิตของเรางานมีคุณตอบชีวิตทำให นอกจาว่ามีคนต่อชีวิตของเราแล้วก็มายถึงครอคัวของเราญาติี่้องของเราด้วยเราทางานได้แล้วเราไปอยู่ฐานบ้านบางทีเราเก็บเงินได้แล้วเราจะงส่งไปช่วยบ้านเราไปช่วยพ่อช่วยแม่ในรอบครัวใดอีกก็รู้สึกว่าทำงานนี้มีคุณค่า่านี่ก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตเราก็คจะรักมันอย่างคราได้การนี้ใครนคนที่มีคุณต่อชีวิตของเราเราก็มีความรักให้่เาด้วยมีความรู้สึกที่ดีงานนี้ก็เป็นของท่านง่ายๆพื้นฐานอันดับที่หนึ่งแต่ว่าที่จริงงานไม่ได้มีคุณค่า เป็นประโยชน์โดยตรงเลย่อชีวิตของคุณงานโรงงานสับปะรดโรงงานอาหารนี่ไม่ว่าจะทำสับปะรหรือทอาหารทลไมืก็ตามเลยเขาไปเรื่องอาหารขาบรรลเป็นปัจจัยสอย่างเขาจะชอบเาจะพอใจรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทําะป็นขึ้นเรื่องชีวนยเราไปแล้วก็เป็นประโยชน์แต่มรรลุแขึ้นมรรลุอื่นเมื่อเราทาสิ่งเหล่านี้เรารู้เขาใจเขาภาคที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นอกจากก็เป็นงานเป็นสุจริตแล้วนะก็ยังเป็นคุณประโยชน์แต่ชีวิตอื่นด้วยช่วยหลอดเลี้ยงขึ้นมาลุ้นให้เราได้มีอาหาร นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจารโรงงานอาหารสยามนี่นอกจากว่าทําอาหารที่ไปหลอกเลี้ยงเงินมนุษย์หลอกเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกัสบส่งผลประเทศชาติส่วนรวมด้วยอาตมาได้ทราบว่าผลผลิตจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศนอกนอกประเทศก็ 89% หรือ 98% เนี่ยมีผลดีอย่างนึงก็คือทําให้เงินเดืข้าประเทศประเทศไทยเรานี่ต้องการเงินเดเข้าประเทศมาเพรามีปัญหาเรื่องกา ร, ร, า ร, ราดุการค้าเราเสียดุลการค้ามากเอ็นท่าก็ที่นี่ส่งอาหารออกไปต่างประเทศมาเราก็มีส่วนสอดคล้ที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในการเสียดุลการค้า แก้ควาเประเทศนำรายได้เข้าประเทศอันนี้ก็มอไปนแง่ส่วนผมว่าให้ทำประโยชน์ในประเทศชาตินั้นเรามานี่เป็นสมาชิส่วนหนึ่งของโรงงานของบริษัทก็าว่าเราที่ได้ช่วยกันทำประโยชน์ประเทศชาติด้วยอนนึกขึ้นมาแล้วก็ให้มีความสบายใจเวลาทงานก็รู้สึกเอ่ีเรากำลังทประโยชน์ใประเทศชาติอกย่างห็ึ่ด้วยก็อยากทำอาหาออร่อยใ้คนรับทาแล้วก็อยากช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกด้วยแต่นึกขึ้นมาแล้วก็สบายใจมีความภูมิใจพื้นใจก็เลาเกิดปีิดขึ้นมาอันนี้ก็ส่วนอ่าทีนี้มองไปอีกงานนี้มัน ให้มีสติปัญงญามีความเก่ก้าสามารถมีความชนิดฉลาดในเรื่องอะไรตา่างๆความเกงกลาสามารถนรชมนมานนดของผนแสดงออกที่สำคัญก็คืองขาขพัฒาตัเนนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมาเราก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองส่วนสำคัญของชีวิตที่ทำให้คนพัฒนาตัวเองได้ก็คือง า, านใานทางานนี่คืการพัฒนาตัเองเปการสืบนตัวเองในทุก น, นั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนจเจริญกา้าเป็นคนมีคุณภาพเราก็การพัฒนาตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองที่การทำงานเลยใช้งานเองเพื่อพัฒนาตัวเองการทำงานด้ ในชีว to in so, so, yeah, so, like so, mm ิตพวกเราเนี่ยก็เกิดจากการทำงานแต่ว่าเราต้องตั้งใจทำทำให้ถูกต้องแล้วก็พยายามทาให้ดีที่สุไปคอยสังเกตคอยดูคอยศึกษาอะไรอยู่เสมอคอยสอบถามคอยหาความรู้ในแต่การียนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการงานที่เมาอนไอ้การพัฒนาตนเองให้มีคารู้ก็สามารถในการทางานนี้นอกไปว่าผลภมยนอกคือการที่ว่าเช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าในการเรื่องดั่นเรงระดับงานแล้วก็มีผลในภายในตัวเองซึ่งว่า ใครมอบเราได้รับผมตอบแทนหรือไม่ก็ตแต่ตัวเราเรารู้ ก, กคือการเรามีความจำที่ํานานทาอะไรได้อีขึ้นซึ่งเขาจะไม่มีผลตอบแทนให้หร่อเาจะมีก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกในตัวเองเราทาไปแล้วเราสบายใจของเราให้รู้สึกว่าถ้าเราทอะไรเราทาได้ดีขึ้นน่นการพัฒนาตัวเองนันไม่มีความภูมิใจสบายใจในตัวเลยต้องไปรอว่าให้คนอื่นมามนให้มตอบแทนนั้นมาใ น, นสองชั้นเพราะที่หนก็คือตัวเราได้แน่นอนตัวเพราะนั้นบางคนที่เป็นมองเลยเนี่ยว่าเออเขาอยากให้ผมตอแทนเราเราไม่ได้รับวันวันถ้าไม แล้วเราได้ตลอเวลาาการทางานถือว่าการทงานเป็นการพัฒนาตนเราเป็พัฒนาในความตันฑ์ทำงารเป็นการสามารถแล้วก็เรื่องดิสัยการเป็นอยู่ในสังคมต่าดเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยเราริ่จากทำดิสไซของเราดีขึ้นความนีระเบียบขึ้นในความใจที่มความสนนี้มันคือไปตัวเสร็จเลยถ้ามรารจกสังเกตความมีปัญญาในรู้ควใจที่จะดำเนินผลในการแก้ปัญหาเราสู่กาพัฒนาตนเองวปตลอดเวลาราฉะนั้นนี่คือลักษณะชีวิตที่ดีงามต้องมีการพูดนาต้องมีการทำมาแล้วการทำงานนี่ถ้ารปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเป อันนี้อกจากนันก็คือบรรยากาศบรรยากาศในการทำงานความมีมิที่สากความเย็ย็นแจามใสต่อกันในหมู่พวกรุ่นงานแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกสวัสดิภาพเป็นาตรที่มาเป็นอยู่ที่ว่าเหมาะสมทางท่านที่เเป็นสายกก็คือบรรยากาศสภาพเป็นร่มสถานที่ดูอะไระต่จจางประจยต่างเนี่ยมาเคื่อนปูนประการที่จะกำรงชีวิตก็จะทำให้มาสบายใจได้หได้มู แล้วรก็ใจในการทงานด้วยก็สมลก้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบไวยเนาะในซึ่งทให้เราเนี่ยทงานได้ความสบายใจมีความภพอใจนากขึ้นแล่ว่าวามก็คืออย่างที่บอกก่นตอนต้นเนี่ยสคัญาทีถูกวามต้องาอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องดขัดมองงานเป็นสิ่งที่ดีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เกิดความภาคภูใจมาเพราะ่างนี้เนเราก็ทำงานได้กว่ามีความตั้งใจเวลานาเดินหน้าไปพอมีความพักงานแล้วผลตามมาก็ถือว่าพอพักงานนี่เราไม่อยากจะทําพราะอยากไปทำงานเพราะงานมาเดินหน้าไปหน่อยเราก็รู้ส พอคนที e. ่ทำงานอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยดีาดถ้าคนไม่มีปติไม่มีความสุใจในงานมีงานเดิน้ไปก็ไม่ได้เเข้าไปวใจหวังโน่นเลิกงานแล้วจะไปสนุกสนานแต่ใจจที่หมดนแล้วก็ถ้าไปอที่ทสอแทนใจมันไม่อยู่กงานแล้วตอนนี้นี้มันใจไม่อยู่กลางงานก็หาคาสนงานไม่ได้มันก็กายเป็ต้องคุต้องปุกในงานนันใจมันก็ไม่สบายดันั้นอันนี้ก็คือว่าตั้งค่าทิติกางงานก็ต้องทำใจให้มีความสุขกงานไปเลยอย่างที่ว่าพอใจัานรังาน้าวไได้ีก็หยิงใจในกา การทำใจตัวออดเวลาสุเนใจตัวก the so ็ทำใจ้าห so so ืคใรใจของเราจะรุมแต่งได้รุแต่งให้ดีเลยรแต่งใกได้รุแต่งไม่ดีก็หอาาเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจวศ้าองหรือปวบายอันนี้เราก็รุแต่งได้แต่ในกีที่ไม่ดีขึ้นอย่างที่ว่าเกิดตอนี่ยังไม่บายนี่ทไไม่วากีอยากเิกานไปทำธุรกิจไปสนุกที่ด้านียังเหลือตัอชั่วโมงแกนอนนี้เอาแล้วตอนนี้รุมแต่งขึ้นมาตอนนี้เรากินรุมต อรานแต่งใทางที่ดีก็ร่าะเลยจนนุนสนามทำงานที่เรามองงานที่เราทำอยู่ก็ร่าดเลาไปคิดเดีวถึงเวลาเราเลิกงานเองเนี่ยมันครบติดสอที่โมงก็ติดสองที่โมปทีามันแป้ท่มงรบอะไรก็หมดนเวลาเป็ี่ติทำไปทุกคนเนี่ยมันไม่เคยยอมเสียใจลองไปคิดเอาเองว่าเวลามัน้าเรื่ยถ้าเราทำไมเราก็เรไปรออย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่รอไปได้ยังคงก็ไม่ช้าเรา้องทไปเวลาอย่างที่ว่าเวลานี่ให้ความเป็นธรรมจะสุดผสนุกนะแต่ว่าเวลาตั้งใจท่าตั้งใจดีก็ต้องทให้เวลาช้าเร่อยามแ่ว่า ราเริดวทานี่ปราหมดทำใจให้ปรมดเวลาทำงานที่ทาให้ราเดิเปิดกางพยายามยยนแจ่ใส้ึงานจะทาให้รารดเพสิย์เลยพอเรารู้สึกเาใจแค่กัวเ้ะรง่นีเราอจไม่ได้การอะใช้เราือก่อนปรเตการุมงให้เราไได้คิดะอว่าให้ร่าิกาพอเป็นสิที่เราตื่ตัวเองเราก็บอกใจตัวเองเราบอแค่นี้เราต้ใจ้เ ทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกอันนี้เราค็ปรุงแต่ใจาุให้มันดีปรุงให้เป็นดีมก็ดีรม่ดีมันก็ไม่ดีาเหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแต่ได้ปรุให้มันน่าทีุ่งให้นน่ากนอันนี้ใจเราเราก็ปรุงได้ปรุงขอมนอกก็ปรุงได้ปรุงในใจตัวเองกุงไม่ได้แต่ก็มาปรุงใจตัวเองปรุงให้มันดีดีนึกระตุกที่ดีนึกมไในเี้ยดีนึกตัดนึให้มันสบายใจงานก็ร่าเริงไปทำงานดุจานไปทางานพอมีร่าเริงว่มาทำงานไม่ใจ้หรอแ่ได้รับผิดพลาดหมดพอมีพลิดหมดแล้วต่อมาทสงานไปงามาเจอ ถ้าไม่มีความเดคนที่ทำงานมีความมีนิสัยใจสบายใจไม่เกลียดมีความยส็นีต้องมีความสุขวิบากสุขก็โปร่งใจล่ไม่ความสุขน nice. ี่แปว่าโปร่งโล่งใจมันไม่มีอะไรมาบิดทันขดทักท้องเาพูดแค่แปล่าบิดทันคนที่มีความสุขก็คือีอะไรมาบิดันใจเขาบิดทันตายก็ได้ามีุขาทนใจก็ได้ความสุขานคนจำนวนมากนเขาจะอะไรมาบิดทันใจตัวเองก็ได้คาม่ความสุขใจหรือว่างนั้นก็ตขัดทับให้โรให้โล่งที่มต้องจโร่งใจโปรงโใจก็มีมั มีความสุขและอดภัยแเราอใจก็มา่นคงสุดสงบแน่ทำอะไรใจก็ดูกรดึ้ม่เคร่ง้รึไม่กระดุจะไายอารมณ์ที่ริวารีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นพรมีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบท่านมันแน่แน่แคิดใอะไรแ่ไรมันกาคิมันก็เดินปามันก็เดินจะใช้พลังจิตไงานอะไรแต่าไปทากรรมฐานแมีสาก็ด้ผ้ยท่านี้ดีเปนแบบนเพราะฉะนั้นนี่บอกหลงว่าเป็นเรื่องปการที่ว่าทำให้จิตของเราได้มีความสุขเป็นแท้จริงเพราะว่างานเป็นตัวใจในจที่เราที่เราพยว่า ทำให้ชีวิตดีมากสุดโดยที่ทางานเป็นเป็นส่วนแงชีวิตที่ถ้าเราทางานได้แีแล้วก็คือทำไว้่งานที่เราได้พูดจะมาตามเป็นลบนที่บอกว่าวนงานวันงานทุกานก็มองในแง่สนุนไรันเราก็ทงานของเราได้ในโรงงานนี้ให้มันมีจิใจที่าซชยลมีเดียด้วย ตัวที่รู้เข้าใจคุณภาพออมาแล้วมีสติเรือตัวเองให้กครทำไจให้เราเป็นส่นนี้แลพวกเราทฒนาไปด้วยแต่ีคนที่ัตัวจริงทั้งหลายไมถูกเข้าเยแหละเนีิที่เจอรจำนะเพราะที่ที่าทำตลอดเวลาที่งานของประจำเนี่ยาปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยปฏิบัติสิอื่นไม่ได้ถูกต้องกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเวี่เป็นเรื่องสำคัญการงานนี่แหละทางธุรกิจตลาดท่านไ้ก็เป็นันทำมกฝัในโวกาสจะทาได้จะทำในชีวิตส่วนใหญ่ท่านคุณต้องอ เวลาทำออกมาเป็นกิจกายก่อเรากำไรจุดนหร้ากิจกรรมที่เป็นหลักที่ไดกนมาไม่แ่นั้นต่ยังมีความหมายใ่ข้นกิจกรความหมายีเป็นว่ารองานที่แต่ละคนทพระเจ้ารบอกว่าทำผานว่เป็นดีโลโก้โลกีเป็นปาังโลกีเป็นรามก็คือเป็นปามเนี่ยานผ้นัานก็คือมาุคนเนี่ยคนมนุษย์ที่มาทางานในสังคมเนี่ยเป็นตัวมันมาใโลกเป็นสังคมไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้กิจกรรมตางทงานคนที่ทาเนี่ยอาชีพ งานเรื่องของกิจการมเศรษฐกิจแต่ทีนี่ของคนตัวอยหญ่เนี่ยเป็นเรื่อนําให้โลกให้สังคมเป็นไปในโลกของมประเทศไทยเขาแต่ประเทศไทยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งาที่คนไทยทเพราะฉะนั้นเราจะให้พม่ประเทศไทยของเราไนี่าไหนก็ควจะคนที่อยู่ในประเทศก็ต้องทงานให้ถูกเพื่อการให้เป็นงาที่จะนประทชาิ่ไามเนาและในความต่อมาก็คือว่าคนที่สุดแล้วกิกรรมของมันุกอย่างเนี่ยมาในเกจัรตรงอใหญ่เกจันทร์ตรงเกัวทร์นามความตัดสินใจนี้เป็นตัวที่รุ่งแรงสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุก นี่ค เ, เรืเลงองเจตจนงมาพิสัยสรรค์ใช้ไหมซึ่ง่ลโลกของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โรกมนโกองเจตจนงกของเ จ, งเจงตาาาาแตกต่างกัน่นทีบอกว่าโลกนี้สัตว์นี้เป็นเพราะความ เ, เป็นตามธรรมชาถ้ามองความป็่าาออชั้นนี้คนที่มีเจตจงเนาบุญแตกต่างกันจเป็นผู้คิ ด, ค ด, คดริรในก า, ทาทรา ท, าที่จของพิสัสแลาคนสนใเปลี่ยนางวิธีนั้นมันคงต้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วก็พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็เป็นไปานั้นจะม เร้เราเนี่ยวที่จะดูแทชีวิตดูแทนสังคมดูแทโลกให้เป็นไปตางเราก็มาชยในกาดูแทในภาัเป็นอยการาที่อาชีพริก็เป็นส่วนที่จะช่วยดูแทนนำโลกในภารีนให้โลกพ้นกเป็นสีเกิดเปสิ่งแต่ระการและนในานนั้นไม่การจิตแต่ยังเี่การที่เพื่อนคุยเปปยก็เปนการหอใหโลกนี้ได้ดีความจุยนการงานี้มีอยู่ไปก็ให้าได้มีความพอใจในสิ่งที่เราทำในสุขภาพและการงานเปต้นไปก็เรารู้สึกภาคงานเราต้องมีความพอใจในงานและที่มาเท่าไรราก็ได้อง เขมา้ก่ามาแล้วแล้วก็เราาความปรยให้แตู่้แล้วก็ต้องความดีใจของเราให้สบายความสด้วยควดีใจขอเราทสบายและมามสุนี้ก็เป็นตัวใจที่เราทำงานที่เปประโยชน์กระทรวงแพทยีขึ้นด้วยมันก็จะยิ่าศัยขึ้นอะไรกันปูพันไปไปอยงนี้มีความยอดเย่ยมากที่มีคุณในก็ตองมองว่าเราทำนี่ให้ดีวิของเราได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่ได้นี้ก็มีผสด้านก็ด้านที่ว่าเป็นตัวงานที่อาจจะออกมาเป็นผลเป็นวัตถุด้านหนึ่งแล้วก็ด้าน การที่จะเดิน hmm. ก้าวหน้าขึ้นไปนี่มันก็ต้องดูจากตำวยอยที่จะเดินก้าวหน้าไปหนึ่งนี้มันก็มาแต่ละเดือนมาแต่ละวันเราก็มาตรวจเลยคนที่จะแต่เรานต้องสืวจแต่ละวันสืบสวาแต่ละวันว่าในแต่ละวันที่เราได้พัฒนาได้เพิ่มปุยหรือเปล่าเขาเป็นมดสืบสวนท่าเดือนปีหนึ่งเอาไว้ไม่ทางหลดนี่เขาจะมีควาดีขึ้นหตังตัวได้เนี่ยาต้องสืวนแต่ละวันรักเขาเลยสอเตือนไม่เลยนะงานที่ที่เป็นผู้พิพากราติดอีกวงหนึ่งทำไม่ได้ก็ดีเพราะสืบวน นี้ถเราต้รวจถ้าเราว่าได้คือเราก็มีความพอใจถ้าเรารู้สึกไม่ได้ก็เปนเรื่อสแล้วรนี้เราจะต้องไปทำทำไม่ได้ผลเพาต่อไปจะต้องให้รู้สึ ก, กได้ทุกวันเขาได้ทุกวันทกปีไม่ดเาไร่คือันก็เยอะล้ปีหนึ่งต้อมาใหม่จะได้ให้ตอรวจแต่ละวันออถาางีบอเป็นภาษาภาษาบาลาบีเพราะอะไรอโมคังที่ว่าสังกันยุราคาเป็นหุบใจระ่าเป็นภาษาไม่ได้าไมีประโยชน์ภาษาแบบคนท้องไม่รู้เลยท้องไม่รู้ภาาใหม่เลยแต่ภาษาทนมาให้ใช้ดนกรศษาตวแล้เป็นภาษาที่ได้ผลศึกษาตัวแล้วก็ เอาคเแต่ว่าวลาแเวลาแต่ลให้ผ่าน่น้อยก็ไได้อะไรบเลยัสรจองนีมั้เน่ยนก็มอไปงได้เงินแคัีวตเราได้ัวเราได้ความสุดเนมาปจัยหนทีไความสุขแต่ไม่ได้อังไมัปนตัวเื่อให้ความสุขแต่ไม่ด้หลักการไวามาคได้มาบ ได้เงินไม่ก่อได้นานเอได้มานานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ารู้ไหม่ัเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตในการพัฒนาคนในทาที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติคมมได้เราได้มาในตอนนี้มาได้ผลได้มาแล้วก็ได้ทไประโยชนก่ผู้อื่น้ต่อมกได้ลนจิตได้ว่ยงานจิตใจเราไม่ได้ไหมเราทาอะไรต่างๆที่เราเพื่ออะไราเนร้อก็จะให้มีการสุขแล้วเสร็จแล้เราได้ความสุขก็ไม่สมบแต่ละันไม่เพราะเขาไม่เคยสมบูรณ์เลยเฝ้าาีความสุจะไปมองที่ได้เงิน สาารทะโอะไรก็้แต like ่แล้วางทยที่จ like no ิตใจได้มีความสุขความสมีความเจริญองจิตใจหจจมีามนาก็มีความสุขมีควาที่นี่มีความรารงบาใจมีความกิมใจมีความสบายสงป็นใจมีความวล่อมคล่อใจมีความสงบมั่นคงแน่แน่จิตใจสารวจนีถ้าเราดูได้จุดนี้แล้วก็สบายให่หรือว่าดูครอบ้รไม่ใช่ดูแค่อย่างเดียวให้ครอบได้วสุขอย่างมีวัดพอเพราะฉะนั้นสำรวจว่าที่ท่แต่ระหว่างนี้ก็ให้สำรวจครอบครัวใช่แต่ว่าสุดท่ายมันจะเป็นท่านสัลาร อยาน้อยว่าทเคียัน้มันแล้วมันเล่ขอคุณัวมาอนเนอนใมันิเได้ไดก่เียจ้มใใจใจดเลยแมต่นอนนี่คุณแต่่ใ้ใหญ่าดนี้นอนเลยมแล้วอนสบายนอแล้วก็วาตัวให้สบายแล้วก็ปล่อยมือ่าแล้วบอกตัอบอกบาให้ได้ก็ปล่อยนอย่างดีนะทําใจแค่นี้มันนาตัวเองกิตใจของคเราได้มันนตัวเองได้พอานอนแล้วเราบอกเองสบายทใจห้สมเพราะคนี้ไม่เคยท่ไม่มีรางพักเลยร่างกไม่มีพัเาตายพักหรไตไม่พัก ขี้บุ่นวายรุ่งง่ายท่านา ง, า ง, างแต่ก่อนอโบราณเขาเรี้กว่าการพื้นเป็นพานการพันเป็นปเดียวหมายความก็รุ่ตลอดเวลาดังนั้นต้องมีพิธีการอย่างน้อยพอพักสั้นๆแล้วก็ให้ใจมันพัดูบอกเลยสบายๆอยางนี้เลยรัทีนี้กได้ม่ลาเลยหรือา <ừ. S 1> ให้มีความสถ้าคนนอนไม่หลับก็ไปพุ่งถาคนนอนไม่หลับก็ไปซับดูเอง้คนมอนไม่หลับก็แยกเลยแยกไปพุ่งคนสบายเขาพักไม่หลับโอ้โหทำไงเราคนไม่หลับก็ดีถ้าเราไปพุ่งอีกอะไรก็เลยพอถึงเช้านี่โว้เดะอะไรโงงเวงก็เ ลองแค่ไหนบ้าบอกให้เราตำรวจก็ไม่ใจรับหายใจเข้ายาวๆหายใออกเป็นยาว50้านบางคนนับไปทันว่าไมโนรัไปลั่50ล้ับไปไม่้รู้ลองับายใดก็อนไม่หทีนีเอาบางคนนับแล้วไม่หลับทีสนคั50ล้าไม่หลับร้อย้านก็ไ่ัไม่ต้องเป็นวงอกีคาถาหนึ่งบอกหลับก็ชันไม่หลับกชันานาเลยใจเข้าหลัก็ชออกไม่หลับกชันถ้าหาใจีสบายาไม่หลักคืนพอถึเช้าก็ไม่ท่าเดอ เออธนาคารเคป่วยเราไม่ไม่หลับเพราะมัน่องทวติดดก็ต้องทาแบกว่าัไปหลัก็ใชเนี่ยังหวัดถเน่องไม่ได้ปวือไม่หลัก็ไม่ต้เสคนที่ไม่หลักรับใจว่าวุ่นเนี่ยไปปลุตัวเองกังวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพอถึงเช้าเปลี่้นทั้งแน่เลระนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่หลับก็ใช่เหมอเราก็เลยพักใจของเราไปเพราะทุก่วยให้วพักใจใไม่พักใีใจหนักแต่เรากระชับไม่กระชัไม่ใจสบายสบายะ้าไน่ได้นีที่ดีบ้างทดลองว่าถ้าีะดกว่ มัมโคาที่รถสัดียดอีกแล้วอารเป็นวเวลาแต่ลันจะให้ความเป็กางไม่มากไมน้อยไม่ได้อะไรทั้งเอาลถ้าคนที่มีความเนอย่างมากนี่นนี้นะพระเจ้าบอกสถาไว้สั้นเที่อิน้มอย่างยาวนอันนี้ให้สั้นเรี่อเวลาไังวโโมาโนโมมาไปาท่านนีอเวลาแต่ละขนดจะให้รูเป็นกลางโนโมมาจิตนี่เรียกว่ารู้เป็นกลางทำแล้วมันไม่เี่ยวดีดานขนาดนี้วม้แต่ในขาดไปได้ผ่านไปเสียอาจารย์แนะนำตัวบอกว่าเวลาแต่ละขนาดอย่ารอง ทุกททุกคนก็ขอทามาเล่าสู่อันฟงเพ่อิทางธะม่ทมาไม่าพิสัึงไปมากแล้วคิดว่าอทุกคนใาก็ขออนุญาตแต่คุดงผู้เป็นประธานเจ้าการแล้วก็ท่านกรรมการอการรวมทุกคนแล้วก็ผู้ชาร์ตปตทุกท่านที่ได้พนักงานทุกท่านาบริษัทได้ก็ครับเราก็มาพบกันในบรยาาที่มแมแสอันนี้ก็เป็นส่วนาได้ความสุขขอขอให้ความสุขนี้เกิดขึ้นในใจทุกท่านและก็น้ำนุย่าอยู่พัฒนาเพิ่มยขึ้นไป